พัทธจักร250ภิกษุจงใจจะทําน้ําอสุจิสีเหลืองให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสุจิสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศตภิกษุจงใจจะทําน้ําอสจิสีเหลืองให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสจิสีขาวเคลื่อนน้ําอสุจิสีเหมือนเปลี่ยนเคลื่อนน้ําอสุจิสีเหมือนน้าท่าเคลื่อน น้ำอสุจิสีเหมือนน e ้ำมันเคลื่อนน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดเคลื onun, ่อนน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มเคลื่อนน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อนน้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาธิเศสพิกษุจงใจจะทำน้ำอสุจิสีแดงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาธิเศส ภิกษุจงใจจะทําน you know pues nope ้ําอสุจิสีแดงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสจิสีเหมือนเปรียงเคลื่อนน้ําอสุจิสีเหมือนน้ําท่าเคลื่อนน้ําอสจิสีเหมือนน้ํามันเคลื่อนน้ําอสุจิสีเหมือนนมสดเคลื่อนน้ําอสจิสีเหมือนนมส้มเคลื่อนน้ําอสจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อนน้ําอสจิสีเขียวเคลื่อน น้ำอสจิสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีขาวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเหมือนเปลี่ยงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตน้ำอสจิสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาที่เศตพึงทราบจากทั้งหลายอย่างนี้พัทธจักจบ